เมืองเบิร์กเลที่สาหารัฐอเมริกามีวัดไทยไปตั้งอยู่วันนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับซานฟรานซิสโกนะแต่วัดซานฟรานซิสโกไม่มีวัดไทยวัดไทยที่เบิร์กเลก็เป็นวัดเล็กๆอยู่ในย่านชุมชนที่จริงก็ดัดแปลงมาจากบ้านของคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นนะก็คือว่าเป็นตึกแล้วก็มีที่ว่างอยู่บ้าง แต่ไม่มากแล้วก็วัดไทยในอเมริกานี่ทุกวัดนะส่วนใหญ่คนก็จะมาวัดวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ใช่วันวันพระอย่างพวกเรานี่มาวัดวันพระแต่ว่าคนไทยหรือว่าคนลาวคนเขมรก็ไปวัดไทยวันเสาร์วอาทิตย์และถ้ามีวันสําคัญนะอย่างเช่นวันลอยกระทงวันสงกรานต์วันปีใหม่ วันเข้าพรรษาออกพรรษ า, ออ ก, ากรถิ่นผ้าป่าย่อคนก็จะมากันเยอะเหมือนกันคราว น, นี้พอคนมาเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาก็คือว่ารถมาจอดกันแน่นแล้วก็มีเสียงดังนะคนไทยที่เวลาจัดงานนี่เสียงดังอยู่แล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแถวนั้นในอเมริกานี่ทุกเมืองก็จะมีกฎหมาย เจอ ก, กเรื่องการใช้เสียงจะเปิดเสียงดังอย่างบ้านเราเนี่ยได้ยินกันข้ามหมู่บ้านเลยนี่เขาทำไม่ได้นะแค่มีรถจอดกันแน่นเนี่ยชาวบ้านที่นั่นก็จะไม่พอใจแล้วเพราะว่าเขามันเป็นชุมชนย่านที่อาศัยนะไม่ใช่มีกิจกรรมอะไรมากมาย เพราะฉะนั้นก็บิชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะชาวอเมริกันที่อยู่รอบวัดเขาก็พยายามทําเรื่องเพื่ อ, อฟ้องนะทางเทศบาลเพื่อให้วัดไทยเนี่ยงดจัดกิจกรรมก็ประชุมกันอยู่สักครั้งสองครั้งแต่ไม่สําเร็จนะเพราะว่าคนที่เห็นด้วยว่ามีวัดไทยอยู่ ก็ดีเหมือนกันก็มีจำนวนมากกว่าแต่ตอนหลังเนี่ยนะคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีวัดไทยก็มีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ก็เลยมีปัญหาว่าจะทำยังไงถ้าเกิดประชุมครั้งต่อไปเกิดมีการลงมตินี่ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าวัดไทยนี่ก่อความเดือดร้อนกับชุมชนมากกว่าอาต้องย้ายไปนะเจ้า ว, วาก็เลยร้อนใจ ก็วันหนึ่งอาจารย์สุลักษ์สิวลักษ์ไปเยือนวัดไทยที่เบิร์เกอร์เล่ก็มีการปรึกษาเรื่องนี้นะอาจารย์สุลักษ์ก็เลยแนะนําว่าเอาอย่างนี้สินะอเวลาจัดงานเนี่ยนะก็เชิญชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาร่วมด้วยเพราะว่าเวลาจัดงานนี้ก็จะมีการเอาอาหารไทยนะมา มาเป็นหลงทานบ้างหรือมาขายบ้างแต่แทนที่จะขายพวกฝรั่งเหล่านี้ก็เชิญเข้ามาร่วมกินอาหารเพราะว่าอาหารไทยก็มีชื่ออยู่แล้วนะคนก็สนใจเดี๋ยวนี้ร้านอาหารไทยไมีเยอะแยะไปหมดเจ้าว่าก็เห็นด้วยก็เลยนะมีการเชิญอาชาวบ้านแถวนั้นซึ่งก็เป็นฝรั่งกันทั้งนั้นแหละมาร่วมนะกินมาร่วมงานแล้วก็กินอาหารไทย ก็พอใจกันท่วนหน้าเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยไอ้เสียงเรียกร้องที่จะให้วัดไทยนี้ย้ายออกไปหรือว่างดกิจกรรมก็กค่อยๆแผ่วเบาลงนะคนที่เคยตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์นะกับวัดนี้ก็อ่อนเสียงลงนะกลับมาเป็นเพื่อนนะก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้วัดไทยในเบิร์กเกอ์ก็ยังตั้งอยู่ได้นะก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิม ตนะอนนี้คนแถวนั้นก็ไม่ค่อยวอยวายอะไรแล้วเพราะเขาสืว่าเป็นมิตรกับวัดไทยมากขึ้นเป็นมิตรได้เพราะอะไรถ้าเป็นมิตรไ ด, ได้เพราะว่าการาการที่วัดไทยนี่ไปแสดงความมีน้ําใจกับเขาเอื้อเฟื้อเขาเชิญชวนเข้ามากินอาหารนะไอ้การเอเื้อเฟื้อเกื้อกูนี่มันสามารถที่จะเปลี่ยน คนที่เป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้หรือว่าคนที่ไม่น่ารักให้กลายเป็นคนน่ารักได้นะ เ, เคยเล่าฟังแล้วนะที่จตุจังเนี่ยมีพ่อค้าคนหนึ่งแกก็แก ก, แ ก, ก็อยู่มาเป็นปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีพ่อค้าใหม่ย้ายมาอยู่ข้างๆแล้ววันแรกเลยนะหรือวันที่สองเนี่ยร้านใหม่นี้ก็เอาเอาป้าใหญ่ๆนี่นะ เป็นรูปเนี่ยคงเป็นรูปโฆษณาร้านนะสินค้าในร้านมาตั้งอยู่หน้าร้านแล้วก็กินที่นะกินที่เข้ามาจนกระทั่งปิดอ่าปิดบังปิดหรือบังนะร้านของคนค น, นี้คนนี้เไว้นะก็ไม่ถึงกับปิดไปครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าก็หนึ่งในสามมันนะชายคนนี้แกก็ไม่พอใจนะแต่ว่า แกคิดว่าการไปต่อว่าร้านข้างๆคงจะไม่มีประโยชน์เดีย๋ยวจะกลายเป็นการทะเลาะบอกแวงกันมากกว่าวันต่อมานะแกก็ซื้อผลไม้เป็นส้มเป็นองุ่นประมาณสองกิโลแล้วก็เอามาให้กับร้านเนี่ยที่เพิ่งเปิดใหม่เนะี่ยซึ่งอยู่ข้างๆร้านแกตปกันเลย แล้วก็ผู้บ้านเนี่ยเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ําไปเข้าห้องน้ํำนะไปเข้าห้องน้ํามาก็เดินผ่านร้านผลไม้เห็นผลไม้มันน่ากินก็เลยซื้อมาฝากชายคนนั้นก็ทําหน้าทีประหลาดใจแล้วก็ทีแรกก็ทําท่าจะไม่รับนะเพราะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าชายที่ซื้อผลไม้มาก็บอกว่า อย่าเกงใจเลยครับนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันมาตั้งร้านติดกันนี่ก็ก็มันก็เป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะผู้ชายคนนั้นก็เลยเออค่อยสบายใจหน่อยแล้วก็รับผลไม้แล้วเขานี้ก็เริ่มพูดคุยกันอย่างเหมือนกันสนิทสนมกันนะให้ผลไม้เสร็จคุยกันนิดหน่อยนะแกก็กลับไปที่ร้านของแกวันรุ่งขึ้นปรากฏว่า ไอ้ภาพที่เคยไอ้ป้ายภาพที่เคยมาบังร้านแก่นี่มันหายไปแล้วแวก็เลยไปถามเจ้าของร้านที่อยู่ติดกับแกวเนีี้เออเฮียไอ้ป้ายนี่ที่เห็นเมื่อวานนี่มันหายไปไหนมีคนซื้อไปหรอหรือว่ายังไงชายคนนั้นก็บอกว่าเปล่าเลยผมเอาเก็บมาไว้ที่ในร้านแล้วอา้าวทำไมล่ะทำไมถึงย้ายเข้ามาในร้าน แกก็บอกว่าเอาไว้ตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยมันน่าเกลียดนะ่ะมันบังร้านเฮ er, ียลูกค้าจะมาก็มองไม่เห็นของของร้านเฮียนะผมก็เลยเอามาเก็บไว้ในร้านของผมดีกว่านะก็กลายเป็นว่าหมดปัญหาไปเลยนะจากคนที่เห็นแก่ตัวนะเอาเอาป้ายมาปิดร้านของคุเพื่อนบ้านนี่พอเพื่อนบ้านแสดงความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเอาผลไม้มาให้นะ แกก็สึกเกรงใจขึ้นมาทันทีคือพอเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็เกรงใจกันได้ง่ายนะไอ้ที่ไม่เกรงใจเพราะยังไม่เป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนแล้วก็เกรงใจเดี๋ยวไม่มีใครขอร้องเลยนะให้ช่วยเก็บป้ายไว้แกก็สำนึกได้เองนะอันนี้เป็นพ่อแรงก็เป็นพ่อความเพ่เพล็กนะที่ได้รับจากจากเพื่อนบ้านผู้ชายจึงตัดว่านเนี่ยทานเนี่ยนะ มันเป็นเครื่องสมานน้ําใจก็เรียกว่าสังขาวัตถุสังคาวัตถุสี่นี่เริ่มต้นโดยทานสังคาวัตถุแปลว่าสิ่งที่ช่วยสมานน้าใจสมานน้าใจเพื่อนบ้านสมานน้ําใจคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่ไกลเวลามีความผืนห่างหมางเมือนกันหรือมีความเป็นปฏิ ป, ปักษ์กันบางทีก็สมานใจกันได้เปลี่ยนใจได้ให้เป็นมิตรนะด้วยการให้ทานก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่แหละไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งนะพอเราหยิบยื่น ทานให้นะทานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเป็นเงินเสมอไปจะเป็นผลไม้จะเป็นของสแสดงความมีน้ําใจนะมันก็สามารถจะเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเพื่อนเราได้เราพอเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยความคิดลายความที่จะเอาละตอเปรียบมันก็น้อยลงอันนี้พระเ้าพ่อพเจ้าเนี่ยจึงให้ความสําคัญกับเรื่องทานมากไม่ใช่เป็นแค่บุญที่ทําให้เราจิตใจสงบเย็นแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนใจองค์อื่นได้ก็ฝากเอาไว้นะเตรียมรับพร